เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องูสมัยนั้นในคราวข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายพากันกินเนื้องูได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุจึงฉันเนื้องูคนทั้งหลายจึงตาหนิประนามโพนธนาว่าชไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงฉันเนื้องูเล่า งูเป็นสัตว์น่าเกลียดหน้าชังฝ่ายพญานาคสุปัสสะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนณที่สมควรพญานาคสุปัสสะซึ่งยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า นาคงูที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีอยู่นาคเหล่านั้นพึงเบียดเบียนภิกษุแม้ด้วยเหตุเล็กน้อยได้พระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่พึงฉันเนื้องูเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พญานาคสุปัสสะเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติ เราใจให้อาถารแกล่ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลำดับนั้นพญานาคสุปัสสะผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล่ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเฉพาะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้องูรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกด